พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ห้ากุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าธรรมภายนอกหวังผลภายในแลววันนี้เป็นวันที่ห้า กุมภาพันธ์พุทธศกราช 2,560 วันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ถึงยังไงก็แจ้งข่าวคณะทาญาิโยมลูกหลานทุกคนบางทีอาจจะไม่ได้ฟังแต่หลวงพ่อแจ้งข่าวบ่อยเกินไปก็ไม่ดีอี ก, กนนะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับหลวงพ่อเรียกร้องแต่ตามไม่จริงเป็นการบอกกล่าวตนเองนะ ผู้ที่จะมาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะอยากได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ยินพราหลวงพ่อไม่ได้บอกพระรัลลิงพ่อจึงบอกกล่าวบ้างคือวันที่สิอดกุมภาพันธ์เป็นวันธรบุญรวมญาติอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกระคุณ์ของวัดแล้วก็ของพวกเราทุกคนนั่นแหละ อันนี้ก็คือเป็นการทําบุญประจําปีก็ว่านได้หรือว่าเป็นการเป็นการทําบุญให้ผู้มีอุ ป, รอปรกรคุคณของวัดวก็อย่างนั้นแหละที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ทั้งยังไงก็ขอบอกกล่าวให้คณะสัทยาญาติโยมที่ได้ยินเสียงของหลวงพ่อเนะ่แตละแวกนี้แหละบอกกล่าวต่อๆกันไปด้วย เต็น์ก่อนอย่างพวกเราเห็นเข้ามาเอ๊ะทำไมมีเต็นก์กางทำไมเข้ามากลางไว้แต่เนิ่นเพื่อเตรียมวันที่วันที่สบอดวันที่สบอกุมภาพันธ์แล้วก็พร้อมกันกับอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวในช่วงนี้ก็บอกกล่าวเรื่องเสาเข็มขององค์หลวงตาบ่อยแต่ถึงยังไงก็ตามนะ ทางด้านวัตถุเราสร้างวัตถุอย่างที่หลวงพ่อได้ประกาศไปก็สู้สร้างตนเองไม่ได้นะสร้างตนเองก็คือปฏิบัติปฏิบัติบูบชานะแต่สร้างภายนอกนะั่นคืออามิชบูชาถนะ้าว่าเราสร้างท้าวรวัตถุถึงจะมากขนาดไหนแต่ตัวเองกลับทําความชั่ว กับทำความชั่วเสียหายตัวเองก็พร้อมที่จะตกตำ่ำลงไปสู่นรกไปเป็นเกิดไปไปเกิดเป็นสัตว์ทิรไรฉานได้ง่ายๆถึงจะสร้างท้าวลวัตถุไว้ขนาดไหนก็ตามแต่จึงจะทำบุญมากขนาดไหนก็ตามทางด้านวัตถทางด้านวัตถุนะแต่ทางด้านจิตใจของเราเนี่ยกับคิดไปในทางที่ชั่ว จากนั้นก็ทำถลำทำในไปทางในชั่วพูดไปในทางที่ชั่วก็พร้อมที่จะได้รับพร้อมที่จะได้รับกรรมชั่วขึ้นมาได้เพราะนั้นการสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจคือสมาธิเนี่ยมองดูจิตใจคนตนเองอยู่ตลอดเวลาแนวความคิดของของเรา เ, เราจะไม่คิดไปในทางที่ชั่ว ในเมื่อไม่คิดไปในทางที่ชั่วการกระทำและการพูดมันก็ไม่ไปในทางที่ชั่วเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราสร้างจิตใจได้เป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันพระสักขาคามีพระอนาคามีอันนั้นเลิศประเสริฐกว่าการสร้างท้าวอนวัตถุเป็นไหนไหนเพราะว่าสร้างท้าวอนวัตถุ ถึงจะสร้างหรูหราโอ้อาขนาดไหนบูชาวไว้ในพระพุทธศาสนาก็จริงอยู่กร น, นั้นเป็นส่วนบุญส่วนกุศลส่วนหนึ่งแต่ว่าสู้สร้างทางด้านจิตใจไม่ได้สร้างทางด้านจิตใจนี่คือสร้างตนเองให้เป็นสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ทถูกต้องคิดในทางที่ถูกต้องทับในทางที่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องจนถึง ตัวเองได้ชาระกิเลสภายในใจอันดับแรกจะถึงในยึดสัมมาทิฏฐิยึดพนนระไรสระคมเป็นสระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็เป็นผู้มีสินห้าศินล8ศสิน 8, สินออยี่สเจ็เป็นผู้มีสินจากนั้นก็เป็นผู้มีธรรมใน จ, ใจิตใจมีสมาธิธรรมจากนั้นก็ชาระ ใจของตนเองใช้สมาธิชำระใจจนถึงเกิดวิปัจนาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้นั้นละเลิศประเสริฐที่สุดจนถึงได้เป็นพัสโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคาพระรหรัอนนั้นแปลว่าเป็นผู้ สร้างตนสร้างใจเข้าสู่มรรคผล น, ผนิพพานอันนั้นเลิศประเสริฐกว่าแต่ถึงอย่างไงมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะการอยู่ในโลกเนี่ยเราจะมองหวังแต่ส่วนอื่นแต่เราก็ไม่ดูแลสุขภาพกายมีแต่มองดูสติปัญญาอย่างอื่นมันก็ไม่ได้มันต้องพึ่งพาอาศัยกันมันไปมันไ ป, ม, นไปมันเกี่ยวเนื่องกันนะ เ, เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานะถื อ, อยังไงมันก็แยกกันออกยากแต่เราจะไปนเน้นจุดที่สูงสุดอใช่สูงสุดนะมันก็เป็นของเลิศประเสริฐแน่ๆละ่ะ อ, อย่างพวกเราอยากจะได้เงินหรืออยากจะได้ทองคําเราจะทํำยังไง <c oughs> ก่อนที่จะได้เงินได้ทองคําจุดนั้นมานะมันก็ต้องมีกรรมวิธีหลายๆอย่าง เริ่มต้นตั้งแต่ทำการทางานทำมาค้าขายพระนิสุกก็เป็นไปได้ถูกถึงจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราเจะจะได้ถึงเป็นพระอริยะบุคคล อ, อย่างพระพุทธเจ้านะท่านบำเพ็ญมาเท่าไหร่ตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนมหากับตั้งตั้ ง, งความปรารถนาอยากจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ในอนาคตความมุ่งหมายมุ่ง ม, มั่นมุ่งมั่นของพระ อ, องค์ท่านถึงจะเกิดมากี่พป ก, กี่ชาติก็ตามจะว่าล้มลุกโคกคานพลิกคว่ำพลิกหงายขนาดไหนก็ตามถึงบางชาติก็ตกนรกหมกไหมกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามอพอพ้นจากนรกพอพ้นจากสัตติรชานมาท่านก็มองดูโพธิญานของท่านอย่างเก่านะ นัน่นแหะอันนี้ก็คือความมุ่งหมายมุ่งมั่นของพระองค์ท่านเพราะนั้นความตั้งใจจุดนี้นะ่ยพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะไปอย่างไงก็ตามถึงจะสร้างบา ร, รมีมากน้อยสร้างบุญสร้างศนรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดีมากน้อยอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานอันนี้ก็คือความมุ่งมั่นของเราอันนี้ความมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า ตนตั้งใจว่าถึงยังไงก็ตามบําเพ็ญทานศีลภาวนา ม, มากน้อยสร้างคุณงามความดีอนไนที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้ถึงโพธิญาณในภายภาคหน้านี่แหละคือความมุ่งหมายของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าผู้จะรื้อถอนอตนเองแล้วก็รื้อถอนสรรพสัตว์ออกจากโลกนี่คือพุทธะนะ แต่เราไม่ถึงไม่เอาใหญ่ถึงขนาดนั้นเราเอาเพียงสาวกกะเนี่ยเมื่อได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนามาประพฤติปฏิบัติปรับปุงกายวาจาใจแล้วก็ขอให้พ้นทุกข์ในวัฏะสงสารอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดเพราะเห็นการเวียนไายตายเกิดสองสรรพสัตว์ทั้งหลายมีตงเวนมีตะภั ย, เ, ย เ, เกิดผิดที่ผิดทางบางแห่งเท่านั้นเห็นก็โอ ไม่สีวิไลเลยมีแต่คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรกันถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ทิ่ฉานไปเกิดแถวออฟริเกาเสัตว์เยอะๆไม่รู้ว่าสิโงโตไม่รู้ว่าวัวควายอะไรเห็นแล้วก็เป็นหน้าอนาจใจเกิดมาในสรรพสัตว์ในโลกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายบำเพ็ญ คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจในการสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ทานอย่างเดียวนะรักษาศีลสัมรวมกายวาจาของเราการล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของเราข้องการเราคิดดีทดําดีพูดดีนะ่นคือหลักใหญ่นะหลักใหญ่คือคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วนะความดีนะั่นจะเข้ามาสู่ ใจของเรานั่นะใจของเราจะมีความร่มเย็นผาสุกนะสรุปแล้วก็คือการที่หลวงพ่อพูดวันนี้ก็คือการสร้างภายนอกสู้สร้างคนนุณธรรมเข้าสู่จิตใจไม่ได้สรุปแล้วก็คือาอามิตรบูชาสู้ปฏบิบัติบูชาไม่ได้ก็ไม่หนีจากสองหลักนี้ลหละแต่ถึงยังไงก็ต้องพึ่งมันต้องไปด้วยกันทั้งอามิตรด้วยทั้งปฏิบัติบูบบชาด้วย ไปด้วยกันถ้าหากขาดข้างใดข้างหนึ่งเกินไปก็ททำให้การเดินทางและการปฏิบัติธรรมย่อหย่อนอ่อนแอเรื่องบางทีอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ได้เหมือนกองเราเข้มแข็งดีอยู่แต่ว่าขาดอุปกรณ์ในการเดินทางอย่างนี้แหละก็ทำให้ของเราเนิ่นช้าอีกได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างทั้งอุปกรณ์การเดินทาง ทั้งจิตใจของเราเข้มแข mm ็ง hmm. นะมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการประกอบสร้างเป็นการประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทะนะสรุปแล้วชีวิตของเรามีจุดจบมาอย่างวันนี้หลวงพ่อค ง, ง, งจะได้ไปอำเภอนามโสมผู้สูงอายุผู้สูงวัย อายุแปดสิบกว่าท่านก็ได้ตายมรณะคงจะประชุมเพลิงตอนบ่ายๆตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเริ่มนี่แหละเดี๋ยวก็ไปเผาคนนั้นแลียวก็ไปเผาคนนี้พวกเราทุกคนอ ย, อยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งอีกเหมือนกันต้องถึงวันนั้นไม่ได้พูดไม่ได้ขู่กันนะเพียงแต่ว่าเตือนบอกกล่าวกันเท่านั้นแหละ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้สิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศล ส, สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะน า, นาสั่งสอนให้สำนึกนึกคิดแล้วก็ปรับปรุงกายใจของพวกเราไม่มีใครที่จะปรับปรุงกายใจของเรานอกจากตัวของเราเองเทน่นนะ นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นจะปรับปรุงแตกายวาจายใจของเราไม่มีใครที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเราจิ้งกว่าตัวของพวกเราเองนะคนอื่นทํากว่าเป็นของคนอื่นเขาเมื่อเขาเรียนหนังสือความรู้ก็เข้าไปสู่ตัวของเขาเมื่อเขาออกกําลังกายกําลังก็เป็นของเขาเมื่อเขาทานอาหารเขาก็อิ่มของเขา เพราะท่านของใครของเรานะการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะจุดนี้นะ่ะอัตหิอัตโนนาโถอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวเอาไว้นะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุทนาให้พรรับพรนันีินะ